อุตชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงต า, งต า, งตานรลักสณผีนาเรย์ก่อยาอยาส่งกิตออกนอกตอนที่สองออต้องคุยแลกอยู่มันทั้งวนันทั้งคืนเแหละให้มันเป็นปัจจุบันขณะทั้งวันทั้งคืนแล้วดูพี่ว่ามันปล่อยวางตัวตนยังไม่ได้เป็นเพราะอะไรมาคุยกันกทีเพราะว่าธรรมะต้อง พูดจากประสบการณ์ตรงมันจะใช้การคาดหมายไม่ได้เพราะว่าธรรมะคือประสบการณ์ตรงที่พระเจ้านำมาเล่าจากประสบการณ์ตรงของพระองค์แล้วก็พระแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล้วนแต่ท่านก็นำทำ น, นั้นเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงของท่านแต่ละท่านแล้วท่านก็มาเล่าต่อเล่าประสบการณ์ตรงต่อว่าท่านทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็บรรลุอารหันต์ แล้วเราก็นํามาปฏิบัติเป็นของเราแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วก็เราก็นําประสบการณ์มาเล่าให้ทุกท่านฟังจึงธรรมะเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยคือการบอกเล่าประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงจากที่ตัเองปฏิบัติมาจนจนรู้จริงเห็นจริงอย่างเราพูดประสบการณ์ตรงที่เรื่องการพิจารณกายเนี่ยพิารณ์กายจนกระทั่งร่างกายมันไม่มีตัวเลยมันหายไปเลยแล้วก็น้ําหนักก็ไม่มี มันก็พูดมาจากประสบการณ์ตรงว่าพิจารณากายพิจรณาไปจมันต้องยิ่งยิ่งมันชัดชัดใจมนยิ่งโปร่งไปวางปร่งไปวางมันว่างว่างว่าวาวามันยิ่งโอ้โหชอบมากเลยอย่างเงี้ยเพราะยิ่งปร่งไปวางมันยิ่งว่างว่างว่าวนี้โอ้โหพิจนาทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยพอใจมันโปร่งไปวางหมดอ้าวตัวมันหายไปไหนโปร่งไปวางสังขารร่างกายแล้วแบ ออกตัวมันหายไปไหนน้ำหนักมันหายไปไหนเนี่ยแล้วมันก็เห็นจิตเกิดดับ <_ d ab> เกิดดับเก <_ d ab> ิดดับ <_ d ab> เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับหรือเกิดดับเกิดด <_ d ab> ับกระดับเหมือนแสงยิงห้อย <_ d ab> หรือเหมือนดังฟ้าแลบเหมือนดังตอนำน้ําอย่างเงี้ยนนมันก็บอกเล่าจากประสบการณ์ตรงซึ่งพระเจ้าโอ้พระองค์เองก็บอกเล่าจากประสบการณ์ตรงอย่างเนี้ยแล้วก็ยังมาพระแม่ครูบาอาจารย์ก็รับฟังมาพระอรหันต์ในสมัยท่านก็เล่าเล่าต่อกออันมา ปฏิบัติแล้วบรรลุอรหานแล้วก็เล่าต่อกัอนมาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกเล่าต่อกัอนมาจนถึงจนถึงเราว่าเล่าบอกกับผู้ท่านทั้งหลายนี่แนวพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการปฏิบัติได้ได้รู้ได้เห็นแล้วก็มาบอกเล่าต่อไปอย่างโลกติดต่อต่อไปไม่ใช่มีหลักการเป็นเป็นหลักที่จํากันมาแล้วมาบอกแต่หลักเฉยไม่ใช่บอกเล่าจากประสบการณ์ตรง แล้วท่านจะต้องไปทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วพอท่านบอกว่าเอ๊ะ ม, มันอยู่ปัจจุบันขณะแล้วมันจะวางตัวตนได้ยังไงเอออันนั้นเนี่ยมันจะรู้ว่ามันยังติดขัดอะไรแล้วก็มาคุยกันอีกมันจะเห็นจริงอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ไม่เป็นปัจจุบันขนาดท่านต้องให้เป็นปัจจุบันขนาดต่อเนื่องแล้วท่านจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นวางได้ไม่ได้ยังไงมันเป็นยังไงติดขัดยังไงก็มาคุยดีทีมี บอกเล่าประสบการณ์ตรงนี้ก็ได้ครั้งหนึ่งอะ <c oughs> สมัยนั้นยังเป็นขาราว่าเดียวก็ขับรถไปทำงานในกรุงเทพอะขับรถไปทำงานที่ทสารราชดาที่สารแพง่ง <c oughs> เอขับรถออกมาอา้าวใครเอาเทปตาว่มามาวางในรถ เอ๊ใคเอาเทมาทเอเทปว่าไงเราก็ดูเอ๊เทปของปุเ่เทพเท็ดหลังสีบดินมากเปลงเราก็เลยลองเปิดดูที่เทปว่าอะไรสมัยก่อนยังเป็นเทปอยู่ไม่เป็นซีดีก็ เ, เทปเปิดก็สรุปแล้วก็คือว่าฟังไปเลยด้วยฟังไปก็พอสรุปได้ ว, ว่าดูปูเทศท่านก็ว่าป ก, ปกติเนี่ยมันจะเรียกจิตใจหรือวิญญาณเนี่ยมั น, เ ป, นเป็นเรียกชื่อเดียวกันแต่เปรียบเทียบเพื่อจะให้มันเพื่อให้มันแบบว่าเข้าใจ ง, ใง่ายๆ คือว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกมือคิดอารมณ์ที่มันเป็นกิริยาการที่มันเกิดขึ้นระดับเกิดขึ้นได้ดับได้เกิดได้ดับได้เอาอาการเนี้ยมาบอกคนอื่นได้เอามาเล่าไว้ว่าเนี่ยจิตใจเรามีอาการเป็นยังไงจิตใจเร า, า, ารเปลนอาการยังไงเนี่ยถ้าทุกกิริยาการที่สามารถเราบอกได้ว่าจิตมันจิตใจเราเนี่ยมันมีอาการยังไงในใจเราเนี่ยจิตใจเป็นยังไงให้เรียกว่าจิตอา่าเรียกว่าจิตคือปเป็นเป็นจิตที่ปรุงแต่ง คือจิตปรุงแต่งแสดงอาการทําให้รับรู้ได้ถูกรับรู้ได้เรียกว่าจิตหดส่วนใจเนี่ยได้แต่รู้จิตเป็นผู้รู้ส่วนจิตเนี่ยมีหน้าที่คิดนึกติดตอนปรุงแต่งพูดยังไงแบ่ ง, แ บ, งแบ่งคนละหน้าที่ไปพูดยังไงเพื่อให้มันเนี่ยเอามาปฏิบัติให้มันให้มันเข้าให้มั น, นมาง่ายๆในการทําความเข้าใจแต่ปกติเนี่ยคือจิตใจหรือวิญญาณอะไรนุก็คือชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ เพื่อให้มันมามาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าปกติมันก็เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เรียกถาดรู้อะไรมันก็ตอนนี้ก็นเลยถ้าเรียกว่าเรียกจิตกระใจดงนั้นจิตมันคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือความปรุงแต่งคือกิริยาอาการที่กระเพื่อมได้เกิดดับได้แล้วก็เอามาบอกคนอื่นได้ว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงตอนนี้จิตใจเป็นยังไงเช่นว่าไม่สบายแน่นอึดอัดทึบ โปง่งโลกเบาสบายว่างๆแล้วก็คิดอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้แอบคิดกับคนนั้นอย่างนี้แอบคิดกับคนนี้อย่างนี้ไ อ, ทอ้ทุกอันเนี่ยที่มันสามารถเอามาบอกได้เป็นจิตหมดเลยเป็นจิตที่เพราะว่ามีกิริยาการให้ถูกรู้ได้เรียกว่าจิตส่วนใจเนี่ยไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆแต่แต่รู้กิริยาการที่เกิดขึ้นส่วนใจเนี่ยไม่มีกิริยาการใดๆแต่แต่รู้สิ่งที่มีอาการผ่านในใจเนี่ยมีอาการอะไรไม่เรียกใจเป็นเป็นจิตหมด ส่วนใจเนี่ยไม่มีอาการใดๆดเลยแต่รู้สิ่งที่มีอาการเข้าใจตรงนี้ก่อนไหม ه, เข้าใจคําสมมุติให้มันตรงกันก่อนคืออันนี้เป็นคําสมมติเนี่ยเพื่อมันตรงกันเข้าใจตรงกันคือไอ้ส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันมีอาการเนี่ยเรียกว่าจิตหมดส่วนใจเนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยแต่สามารถรับรู้อาการทุกอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หมดรับรู้ได้ทุกคิดทุกอาการแต่ตัวมันอะไม่มีอาการใดๆเลยเรียกว่าใจ สุดท้ายท่านตอบท้ายว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานเราอึ้งไปตรงเนี้ยเราก็ฟังไปด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนีเย่เราขับรถไปใช่ไหมพอ เ, เช้าเนี่ยมันก็มีพวกคนมันยืนรอสองข้างทางเนี่ยยืนรอรถเมล์เต็มหมดเลยตามไปรถเมล์อ่ะ เราก็มองคนนู้นมองคนนี้คนไหนสวยแเราก็ไปปรุงแต่งกับเขาเงี้นเนี่ยเออเราก็ขับรถไปแล้วก็มองดูตามข้างทา ง, ทางดูแล้วตามธรรมดาของคนหล่ะก็ไปปรุงแต่งกับคนนั่นคนนี้คนนั่นคนนี้เงี้ยเขาไหนสวยแล้วก็ปรุงแต่งคนไหนขับรถมาเทียบเทียบเราตอนติดไฟแดงเราก็แอ บ, บดูเขาในรถเออแล้วเราก็ปรุงแต่งน้นปรุงแต่งนี้จิตมันก็เราก็เห็นจิตเราเนี่ยมันไปเข้าคอเคีย์ er อยู่กับเขาเราเลยอ๋อนี่จิตจิตคือจิตเนี่ยมันสามารถ มีกิริยาอาการมีพมีพฤติกรรมไปเข้าคอเขี่ยเขาได้มีความรู้สึกมีคิดมีอารมณ์ไปเข้าคอเขี่ยไปความไปรักไปชอบไปมีอารมณ์กับเขาได้อ๋อนี่จิตตอนนี้เราเห็นจิตแล้วแต่จิตมันคอยไปเรื่อยเลยตอนนี้เราก็เออทําไงวะเพราะว่าเราเอามาบวกกับเป็นเรื่องของจิตออกนอกอะ่ะเรื่องทรงจิตออกนอกเออนี่มันส่งจิตออกนอกมาเราก็มาบวกกับของหลวงพูดุล เรื่องส่งจิตออกนอกเราก็ทําความรู้สึกตัวให้มาอยู่กับการขับรถเราก็ชากมันมันไม่อยู่การขับรถคือทําความรู้สึกตัวการขับรถแรงๆมันก็กลับมาเดินไปอีกแล้วกลับมาไปอีกแล้วกลับมาไปหาคนนั้นคนนี้เอ๊ตลอดเลยทางเราเหนื่อยมากเลยคือมันคอยแล่นไปหาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ตลอดเลยเราก็ให้มันวันรู้สึกตัวอยู่การขับรถมันไม่มาอยู่กับการขับรถแท้ๆมันออกนอกรถไปนู่นแ่ละ ไปปรุงแต่งเข้าขอเคยียว ค, คนน fault, you, ั้นคนน <Fortunately, S 2> ี้คนนี้คนนี้คนนั้นคนไปตามทางถนนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนี้เออไปยังไงวะตัวนี้เราก็เห็นมันไม่ปุุงแต่เรื่องคนนั้นคนนี้มันเห็นต้นไม้มันเห็นนู่นเห็นนี่มันปุุงหมดเนี่เราว่าเอ้เนี่มันไม่อยู่กับตัวเลยนี่วะเนี่ยมันไปปรุงกับตับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่อยเราก็เลยพยายามทําความรู้สึกตัวให้มันมาอยู่กับตัวเราที่กำลังขับรถพักใหญ่เน่เนี่ยมันไปเป็นระยะทางยาวแล้วก็ต้องกวน ไม่ออกไปเลยอะมันไม่ออกไปปรุงกับใครไม่ออกไปปุยกับต้นไม้ที่ก็จัดสวยจัดสวยอะไรตามดินทางไม่ออกไปไปเลยมันอยู่แต่ข้างในคือจิตมันนิ่งมากเลยมันไม่ออกไปไหนเลยมันนิ่งมากเลยอ่ะมันนิ่งมากเลยเราก็พูดอยู่คนเดียวขับรถไปก็พูดอยู่คนเดียวเออมึงไม่ออกไปก็ดีแล้วมึง น, นิ่งมากเลยไปเขานี่ไว้ไม่มันนิ่งมากเลยมันไม่ออกไปไหนแล้วไว้มันไม่ออกไปหาเขาแล้วเราก็พูดอยู่คนเดียวอย่ายงเงี้ยนะ เราก็ขับรถไปขับรถไปแล้วก็พูดอยู่คนเดียวเออคราวนี้มันไม่ออกไปแล้วจิตมันนิ่งมากเลยวะ่ะดีจริงๆมันไม่ออกไปดีมากเลยแต่กลับไปกลับไปพักใหญ่เนี่ยพอรู้ตัวว่าอ้าวนี่มันไม่อยู่กับการขับรถเลยอ่ะมันพูดแต่เรื่องจิตนี่แนะมันพูดแต่เรื่องจิตมันไม่อยู่กับการขับรถเลยอ้าวนี่มันไม่ได้อยู่กับการขับรถนี่หว่าเนี่ยมันตะเลิดจากข้างนอกเข้าไปข้างในตอนนั้นเรียกข้างไหน มันตระเลิดจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันไม่อยู่ตรงกลางคือกําลังขับรถอยู่ในปัจจุบันเอา้าอย่างนี้มันก็ส่งจิตออกนอกอีกเราเลยฮก <Hey. S 1> วรจะรู้ตัวต้องพักใหญ่เราเลยสัางชกความรู้สึกตัวให้มันอยู่กับการขับรถไม่ให้มันเข้าไปยุ่งกับจิตข้างในไม่ให้มันตะเริดกันไปข้างในพอเราเนี่ยหลุดออกจากข้างในนะมันไม่มาอยู่กับการขับรถหรอกมันตะเริดออกไปข้างนอกมันตะเริดไปปูเข้าข้างนอ ก, น อ, กอีกคนนั้นสวยคนนี้สวยเดียวคนเดี๋ยัเงี้ มันตอลอดไป เ, เราว่าเฮ้ยมันทํามอย่างงี้วะแต่เราเนี่ยไม่เหมือนเดิมคือเราสามารถเอากลับมาได้เร็วเพราะว่าเรากลับมามันเข้าไปข้างในไงเราเลยสามารถเอากลับมาได้แล้วเลยเราเอากลับมาเรื่อยๆคือไม่ไอ้ใหความรู้สึกตรงอยู่การขับรถ <S <S มันก็เลยไม่ออกไปปลุกคนนอกเพราะว่าเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็เลยออกไปไม่นานก็กลับเข้ามาออกไปไม่นานก็กลับเข้ามากลับเข้ามาคืออยู่การขับรถ แต่เราเลิกอยู่การขับรถไม่ใช่มันตเตลิดกลับไปข้างในต่ออีกเออไม่ออกนะเออมึงไม่ออกแล้แตอนนี้ไม่ออกและไม่ออกก็ดีแหละวอ่ามันก็ออกอีกนี่วะเนี่ยมันก็พูดอีกแล้วมันก็พูดกันเรื่องเนีเรื่องจิตอยู่ดีนะเนี่ยเฮ้มันก็เข้าไปข้างในอกเว้เนี่ยไอที่มันพูดว่าเอ้ยอย่างเงี้ก็เข้าไหนมันก็ไม่ไม่อยู่กับการขับรถแล้วมันก็ไปไปงุนจิตไอจิตที่เข้าไปข้างในมันก็เลยไม่ไม่อยู่กับการขับรถจริงๆไม่อยู่กับการรู้สึกตัวในปัจจุบันจริงๆมันก็เลย ตลอดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวเอ้าตลอดเลยเข้ามาข้างในก็ส่งออกมาข้างนอกอยู่ดีเนี่ยมาอยู่การขับรถแต่มันเร็วขึ้นมันสั้นลงระยะเวลาที่หลงมันสั้นลงพอมันสั้นไปสั้นมาสั้นไปสั้นมาถ้าข้างนอกข้างในเนี่ยมันไม่ออกไปข้างนอกไม่ส่งเข้ามาข้างไม่ส่งออกไปข้างนอกเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวแต่การขับรถเลยเออมันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่การขับรถไปเอ๊ะ เรไปตกตัวลึงตอนนี้ว่พาพอมันเหลือแต่การขับรถเอ๊ะทำไมตาเราเห็นรูปรูปเขาก็อยู่ในนี้ยแต่ตากับรูปมันอยู่ไกลกันมากเลยกับริมถนนเนี่ยเอ๊ะรูปที่เราเห็นเนี่ยกับตาเนี่ยมันเป็นความว่างไว้เออามืเราก็เอามือไปกัน้นเอ๊ะทำไมรูปกับรูปกับตาเนี่ยมันเป็นความว่างไม่มีเชือกไม่มีสายไฟแต่มันเห็นกันได้ไว้ มันเห็นกันได้โดยที่มันเป็นความว่างแสดงว่าอายตนะภายนอกเนี่ยคือรูปกับอายตนะภายในเนี่ยมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างเออเราเรก็มัน ม, มาลองฟังเสียงอา้าวไอ้เสียงมาอยู่ข้างนอกนี่เสียงรถบินปานบินปานบินปา น, ป น, ปานเอระหว่างเสียงกับหูมันไม่มีสายไฟไม่มีเชือกเอระหว่างอายตนะภายนอก กับอายตนะภายในมันเป็นความว่างอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยประตูใจเนี่ยใจกับอาการของใจคือทำอารมณ์ทุกชนิดที่ถูกรู้ได้เนี่ยกับทางใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นความว่างอะสิเพราะว่าอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมันเป็นความว่างทุกอันเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเป็นอายตนะภายนอกแต่ตาเป็นอายตนะภายในมันเป็นความว่างเสียงเป็นอายตนะภายนอก โอ้เป็นอายตนะภายในเป็นความว่างธรรมอารมณ์คื อ, อความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์อาการทุกชนิดเป็นอายตนะภายนอกเป็นธรรมอารมณ์เอีใจเป็นอายตนะภายในเอ้ามันต้องมีความว่างนี่ว่าเอ้าทําไมในใจเราตัวเนี้ยมันแน่นแน่นอัดมันทึบๆมันตื้อๆเอา้าแสดงว่าเราเอาอาการของใจมาเป็นใจนี่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เอาไม่ได้คิดว่าอาการของใจเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกนี่วะเนี่ย สแสดงว่าเราอาการของใจมันเป็นมันเป็นประตูในในซะแล้วมันเข้ามาเป็นใจเซะแล้วมันไม่เป็นอายตนะภายนอกเซะแล้วแค่นั้นเนี่ยเราบอกว่าสแสดงว่าเบื้องหลังของอายตนะภายนอกคือทำอารมณม์ที่ประตูใจต้องเป็นความว่างเหมือนกับรูปที่อยู่ข้างทางไม่มีความหมายต่อใจเสียงที่อยู่เสียงที่ดังไม่มีความหมายต่อใจต่อไปอาการของใจจะเป็นยังไงก็ตามไม่มีความหมายต่อใจเพราะ มันเหมือนกับรูปกับตามันเป็นความว่างเสียงกับหูเป็นความว่างใจกับธรรมอารมณ์เป็นความว่างมันเกิดดับจุดในความว่างความว่างไม่ใช่ความรู้สึกว่างนะมันเหมือนกับเป็นความว่างแบบอากาศอย่างเงี้ยก็เนี้ยรูปรูปภายนอกกับหูอายัตนาภายนอกกับอายัตนาภายในรูปกับตาเนี้ยท่านดูสิ ม ang, builder, ันเป็นความว่างความว่างอะไรก็ความว่างของอากาศเนี่ยความว่างแบบเดียวกับอากาศเนี่ยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเนี่ยรูปรูปกับตาเนี่ยถ้านเอามือกั้นดิมันเป็นความว่างอายะระหว่างอายะท่ภายในกับภายนอกเนี่ยมันเป็นความว่างแล้วเป็นความว่างนี่คือว่างแบบเดียวกับอากาศเนี่ยเสียงกับหูเนี่ยเสียงของเนี่ยเสียงของลุงตาเนี่ยแล้วก็หูท่านเนี่ยถ้าลองเอามือกั้นดยมันมีอะไรกั้นมาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรกั้นมันเป็นความว่างเป็นอากาศเอง ท้ยทียธรร ม, มาลมอ่ะคืออาการทุกชนิดที่ถูกรู้ได้ทางใจธรรมาลมเป็นอายตนะภายนอกใจเป็นอายตนะภายในเพราะฉะนั้นระหว่างธรรมารมซึ่งเป็นอายตนะภายนอกกับใจซึ่งเป็นอายตนะภายในต้องเป็นความว่างแบบเป็นอากาศเช่นเดียวกับรูปกับตาเสียงกับหูต้องเป็นลักษณะว่างแบบเดียวกับเป็นเป็นอากาศเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านถามเรา ลำจะไปว่างตัวมันเลยกลายเป็นความว่างม่นจะ่เป็นความรู้สึกว่างแต่มันเป็นความว่างแบบอากาศเหมือนกันระหว่างรูปกับตาเป็นความว่างแบบเดียวอากาศหูกับเสียงเป็นความว่างแบบเดียวอากาศทำอารมลมกับใจการเป็นความว่างแบบเดียวกันไปเลยมันมีความว่างขั้นอยู่การเป็นความว่างไม่มีอะไรมาเชื่อมต่อถึงกันเลย เหมือนกับว่ามีมีที่อยู่ของใจอะค่ะเช่นเหมือนกับตาเราเห็นแต่ว่าใจเราเป็นเป็นเป็นใจอ่ะรู้แต่ว่าตาตาเห็นหรือจิตเป็นคนที่รู้สึกใช่ไหมคะอย่างที่อยู่ของใจอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างอย่างที่อยู่ของใจเช่นบางทีก็รู้ที่ตรงสมมติในตำแหน่งหน้าผากหรือว่าที่กลางอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามีที่อยู่ของใจไม่ใช่ไม่ม่ไม่มีหรอกที่อยู่ของใจไม่มีเพราะใจไม่มีตัวตน ที่อยู่ของใจไม่มีใจไม่มีมมตัวตวใจมันก็ได้แต่รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกอาการเนี่ยเกิดดับอยู่ในความว่าไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นอะไรใจมันก็เลยได้แต่เป็นผู้รู้แต่ไม่มีตัวใจไม่มีที่อยู่ของใจคือมันเห็นว่าพอมันพล่องแล้วมันก็เห็นว่าเอ๊ะ ทำไมความคิดมันเกิดดับอยู่ในความว่างวะเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ย้อนมาดูตัวผู้เห็นหรอกมันไม่ได้นึกถึงตัวผู้เห็นเลยแต่ใจมันเป็นความว่างและทุกอย่างมันเกิดดับอยู่ในแต่ความว่างแต่ความจริงถ้าเป็นนายทีหนึ่งมันมีใครละมารู้ว่าทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างมันมีผู้รู้อีกอันหนึ่งแต่มันไม่ได้มาคิดถึงผู้รู้เลยเพราะมันมีแต่ความว่างไปหมดเลยใจกายเป็นความว่างเช่นเดียวกับจักรวาลเลย แต่ในความว่างเนี่ยนะมันรู้มันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างไม่มีใครยึดม้านถนอบ้านอะไรเลยแต่มันไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องไม่มีใครเป็นนึกถึงเรื่องผู้รู้เลยมันรู้แต่ว่าทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าใจเป็นใจเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลเลยและทุกอย่างก็เกิดดับอยู่ในความว่างเปล่า ถ้ามาย้อนพิจารณาคิดดูถึงจะรู้ว่าเอามันมีผู้รู้อีกอันไว้ว่ามารู้ว่าทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่ามันมีผู้มารู้วแต่จริงตอนที่ตอนที่มันเป็นเนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่ามีผู้รู้กันเลยแต่มันรู้อยู่โดยที่ไม่มีผู้รู้มันรู้ว่าไม่ใช่ว่ามีตัวผู้รู้มาคอยรู้อาการหรอกมันรู้ว่าทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าไม่ใช่ว่ามีผู้รู้มาคอยรู้อาการอย่างเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่า รู้ว่านะรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในความร่งรางนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงอีกอย่างอีกแง่มุมพยายามจะพูดแง่มุมที่หลากหลายขอกท่านและแต่ว่าบุพเพกะตะบุญญาตาบุญวัสนาของท่านจต่ะคนไม่เหมือนกั น, ก น, กนเอาจึงพูดแง่มุมเรื่องจะพิจนารณากายก็ได้ หรือท่านจะพิจารณาอย่างที่สองที่เราพูดอย่างนี้ก็ได้หรือจะท่านจะพิจารณาเข้าไปจนถึงธาตุรู้ที่มีตัวตนก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ใดมีปัญญาเข้าถึงอันไหนท่านสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ห้วหรือท่านจะมีปัญญาเห็นว่ามีแต่สิ่งใดจริงหนึ่งที่เกิดขึ้นปจนธรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ ไม่มีผู้ยึดมั่นถึงมาก่ก็ได้ขาดไปจากใจเลยก็ได้แต่ท่านจะต้องเห็นมันสักอย่างหนึ่งในปัญญาของท่านจริงๆจะพิจารณ์กายก็ได้พิจารณาจากอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกก็ได้เพิ่งมีพระรหันต์ก็มีตัวอย่างอยู่ในสมัยก็เป็นผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องอายัตนาภายในภายนอกหรือจะเรื่องรู้เห็นอนาะการของจิตแล้วไม่ติดไปก็ได้ ก็เหมือนกับพาาระอราันต์ที่ท่านเห็นเอาเปรียบเทียบปริยาการจิตเหมือนต่อมน้ําที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดแล้วระดับไปไม่มีผู้ยึดั้านถิม่มันก็นได้หรือจะเปรียบเทียบเหมือนกับพระรานที่เรียกว่าพระเาตกัสรัตน์พิยยะหรือว่ามาลุกพิยบุตรที่ว่าถ้าเธอศักด์แต่ว่ารู้ทั้งตาทั้งหูแล้วก็ทางประตูใจเธอก็จะพ้นจากทุกบรุพณิพนานจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้า แล้ก็เธอจะตืนทุกตื่นผู้ยึดบ้านถือบ้านเธจะรู้วนนี้่านก็คือแค่สามประตูนี่พระเจ้าตรัสคือสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้รับท ร, ร, บ ร, บราบหรื อ, รอว่าสักแต่ว่ารู้แจ้งคือสักแต่ว่ารู้อาการใจถ้าสักแต่ว่าจริงๆก็จะพ้นจากทุกได้คือเห็นแล้วไม่มีผู้เข้าไปยึดบ้านถือบ้านได้ยินไม่มีผู้เข้าไปยึดบ้านถือบ้านแล้วก็ อาการหองใจสับแต่วรู้ไม่มีผู้กับไปยิดมั่นถือมันทั้งสิกงทีถูกรู้และผู้รู้ก็จะพ้นจากทุกได้ที่ในในในของหลวงปู่ ล, ลาเกศ ม, มัพปโตที่ไปดูในในใต้รูปทา่านนี้มีรูปออกมาสมัยก่อนรนะูปหลวงปู่ ล, ลาเกศ ม, มัพปรโตที่ใต้รูปที่บอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานไม่ใช่ผู้รู้ นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายคือไม่อาจจะไปหมายว่ามันคืออะไรถ้าไปหมายปุ๊บหลงหมดนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายหาผู้ใดเนี่ยไม่ยึดว่าไม่ยึดเอาผู้รู้เป็นเราหรือตัวเราเป็นผู้รู้ก็ข้ามทะเลห ล, ลงบรรลุนิพพานกันไปหมดแล้วนี่ไง คือสักแต่วรู้ไม่มีผู้ไปยึดมา่นถือมั่นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้แต่สักแต่วรู้คือเพราะสักแต่วรู้ปเป็นธรมนมนธรมชาติไงการเห็นทางตาเป็นธรรมชาติการได้ยินทางหูเป็นธรรมชาติการรู้อาการทางใจมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครต้องใช้เจตนาไปเห็นไม่มีผู้ใดต้องใช้เจตนาที่จะไปรู้เสียงไม่มีผู้ใดมีเจตนาที่จะเห็นมันก็เห็น ไม่มีผู้ใดเจตนาจะได้ยินมันก็ได้ยินไม่มีเจตนาที่จะไปรู้อาการทางใจมันก็รู้อาการทางใจเพราะมันเป็นธรรมชาติของการรู้หรือเรียกว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุรู้ตามธรรมชาติธาตุรู้ตามธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพานธาตุหรือสุญญตาธาตุซึ่งไม่มีตัวตนโดยไม่ต้องมีความ ตั้งใจที่จะรู้เจตนาที่จะรู้จงใจที่จะรู้พยายามที่จะรู้ทางตาทางหูทา ง, งประตูใจถึงจะรู้การ zie, รู้ทางตารู้ทางหาูรู้ทางประตูใจ <S <S ไม่ต้องใช้เจตนาที่จะรู้ไม่ต้องตั้งใจที่จะรู้ไม่ต้องพยายามที่จะรู้เพราะมันเป็นธรรมชาติ ของการเห็นธรรมชาติของการได้ยินธรรมชาติของการรู้อาการทางใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อันเดียวกันเป็นธรรมชาติไม่มีทิศไม่มีผู้รู้ไม่มีความตั้งใจที่จะรู้เจตนาจะรู้จงใจจะรู้หรือพยายามจะรู้และไม่มีตัวตนของผู้รู้คือมีตากับรูปก็เห็นเลยมีหูกับเสียงก็ได้ยินเลยแล้วก็มีอาการทางใจก็ได้แล้ก็รู้อาการทางใจไปเลย เป็นความรับรู้ตามธรรมชาติที่แนวพระเจ้างตรัสว่าถ้าเธอเห็นซึ่งสดิ์แต่ว่าเห็นได้ยินสักดิ์ได้ยินรู้อาการทางใจสักดแต่ว่ารู้เธอก็จะบรูุ้ณิพานจะไม่มีตัวตนของเธอนี่ไงไม่ต้องถามว่าล่าตัวตนได้ไงก็จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้และโลกมาศักแต่ว่าเพราะอะไรมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่ลุงตามหมาบวชท่านบรรลุถูกธาตุนี้ก็เรียกพานเดียเรียกว่าธรรมธาตุ ทำมาทา่าพญาฟังจบก็รู้อาหารเลยเห็นสับเต๋อเห็นได้ยินสับเต๋อไดรู้อาการทางใจรู้แจ้งอาการทางใจสับต๋อรู้แจ้งนั้นหากเธอไม่หลงตรงจิตออกนอกไม่หลงตรงจิตออกเข้าข้างในก็รเรียกว่าตรงจิตออกนอกไปตรงจิตเข้าข้างในคือไปตั้งใจเพ่งไปจงใจเพ่งไปพยายามเพ่ง ไปพยายามดูรู้เห็นอาการของจิตเธอเว้นขาดจากอันนี้แล้วและเธอก็ไม่ส่งจิตออกนอกไปข้างนอกนี่เหี่ยอนุภาพของสัตว์ว่าไอศัตวว่าไม่ใช่ว่าพยายามเอาตัวเราไปฝึกศักตวว่ารู้ไปเปจอ่อคาศัตววารู้ไว้ไม่ใช่คือมันมาเป็นปัจจุบันขนาดเป็นปัจจุบันขนาดหรืออยู่กับปัจจุบันมิติที่เป็นในหนังวิจามหาศัตดารโลกก็ใช้คําว่ามิติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันมิติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเองนะ คือหมาว่าตื่นรู้ใน <n gray> ปัจจุบันขนาดที่กำลังทําอะไรอยู่เพราะตื่นรู้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่บังคับไม่บีบบังคับนั่นแหละทุกอย่างที่เห็นเนี่ยไม่มีความหมายต่อใจอัตโนมัติไปเลยเสียงที่ได้ยินก็ไม่มีความหมายต่อใจอาการของใจทุกชนิดก็ไม่มีความหมายต่อใจเพราะมันไม่หลงแล้วไนงะมันไม่หลงไปคิดปรุงแต่งอะไรเมื่อไม่หลงไปคิดปรุงแต่งอะไรมันก็ไม่สรงจิตออกนอกแล้วมันก็ไม่ไปยุ่งกับอาการของใจเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจมันก็เลยไม่สรงจิตออกนอกเข้าไปข้างใน มันเลยเป็นปัจจุบันที่แท้จริงโดยที่สิ้นความปรงแต่งนี่นหะคือความสิ้นความปรุงแต่งส่วนเมื่อตองที่เตสังวูปสโมสุขโขผู้ใดละงับดับหรือสิ้นความปรุงแต่งจะได้หลงปุงแต่งจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนั่นที่เราพูดมาละเอียดทั้งหมดทุกงแง่มุมเนี่ย แต่ไปการบอกเล่าจากประสบการณ์เพื่อให้ท่านเนี่ยนําไปเป็นประสบการณ์ตรงของท่านเองแต่ถ้าท่านแค่จําไปแล้วไม่นําไปปฏิบัติลองทดลองให้มันเกิดประสบการณ์ตรงของท่านจริงเองท่านจะไม่เข้าใจเลยว่ามันอยู่กับปัจจุบันขณนะเป็นยังไงที่หนาร่างกายให้มันตายหน้าเปื่อยบุพพังขึ้นอื่อเน่าไปแล้วสลายไปขี้เน่าตุลีไปจุดสิ่งความโง่คิดมาถือมนันมันเป็นยังไงมันจะไม่ไม่มีทางเป็นจริงได้เลยเพราะท่านมีแต่ความจําแต่ท่านไม่มีความจริง แล้วยังชอบใจเรื่องไ อ, ไ อ, ไ อ, อไนะ้น้ำมังกรหยกไอ้ผ้าผ้าที่มีเอีย้ยกล้วยอ่ะเอีย้ยกล้วยที่มันสู้กับรัชคูอ่ะเอีย้ยกล้วยเนี่ยมันเป็นเป็นผู้ที่มีวา ส, สนาดีเพราะเอีย้ยกล้วยเนี่ยมันเกิดมามันก็มีอาจารย์ที่เก่งๆนั่นเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี้เราก็ชอบอ่านชอบดูหนังกํลาลังไายในเนี่ยเอีย้ยกล้วย ม, มันเกิดมามัน ม, น ม, น ม, มีมีอาจารย์ที่เก่งๆมีเอเ อ, อะไร่ะประมุขพักกยาจก ไม่เท้าตีเอไม่ท้ตสุนัขมันก็มีท้าพวกนี้เก่งมากเลยโด่งดังไอเอี้ยกล้วยก็เรียนรู้หมดเรียนรู้เอี้ยกล้วยก็เรียนรู้หมดแล้วก็มีท่าเรียนจากไอเท่าทาลกไอเท่าทารกก็เก่งอันนี้ก็เก่งแล้วไปเรียนกับไอไอไอแปะฮงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทุกคนเลยแต่เก่งๆปรมาจารย์เก่งๆทั้งนั้นเลยตอนหลังไปสู้กับราชคูมัแพ้อะไรราชคูมันมัน มันมันรู้วิชาทุกสำนักมันรู้วิชาทุกสำนักพอไอ้แย่กล้วยยกมือทำท่าอย่างไงจะจะใช้วุฒิหรือว่าจะยกมือทำท่าอะไรขึ้นมาเนี่ยมันรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยจะใช้วิชาของสำนักไหนมันรู้หมดมันดักได้หมดไอ้แย่กล้วยเลยแพ้แพ้อย่างลาบภาพเราจะครูมันก็เลยบอกว่าเอกรู้ไหมว่าทําไมเอกจึงแพ้อย่างลาบภาพอย่างเงี้ย ไม่รู้อะอนนี้เก่งมากนะเอ ม, มีแต่วิชาจำแต่ไม่มีวิชาจริงมีแต่วิชาจำไม่มีวิชาจริงมันก็เลยเสียใจแล้วก็ไปหลบซ่อนปีกตัวเลยอยู่ในเกาะล้างแห่งหนึ่งแล้วก็ไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดและฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นจริง เลยหลอมรวมวิชาของที่ฟังมาทั้งหมดทุกอย่างที่เราสอนไปเมื่อกี้เนี่ยทุกศาสตร์ทุกสาขาทุกแง่มุมที่เราสอนไปนามาทบทวนดในใจที่สงบเราให้มันรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นในตัวเราด้วยใจของเราจริงๆถรากฏแก่ใจของเราจริงๆเอ้เอเอกุย้ยมันก็เลยหลอมวิชาของครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศทั้งหมดเอาไว้ในตัวของมันแล้วสร้างวิชาใหม่ขึ้นมาเป็นวิชาของตัวเองคือ วิชาที่บอกเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองได้เนี่ยของแต่ละคนนั้นอ า, หารหัน์แต่ละองค์เนี่ยจึงไม่เหมือนกันแง่มุมเนี่ยคล้ายกันแต่เทคนิคที่เข้าถึงเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เอาประสบการณ์เนี่ยมาบอกเล่าให้ลูกศิษย์ฟังไอ้เยี่ยกล้วยเนี่ยมันก็หลอมรวมวิชาขึ้นมาเป็นวิชาของมันเองเป็นประสบการณ์ตรงเองแล้วก็ออกไปสู้มาชนะมันได้สู้ได้มันได้ อันท่นท่านเนี่ยฟังแล้วมีแต่ความจําแง่มุมนั่นก็รู้แล้วแง่มุมนี้ก็รู้แล้วแง่มุมนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นแต่วิชาจําไม่จริงสักอันเดียวตายเป็นก็ตายไปก็ตายด้วยความทุกข์ตายแล้วก็ไม่สิ้นทุกข์ไปนั่งร้องไห้หน้างานจบตัวเองอีกที่เหลือเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วอื ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตายแล้วโอกาสที่ท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากที่สุดในโลกพุทธเจ้าตรัสยากที่สุดในโลกท่านตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งยากที่สุดในโลกพราะสาวกทูนถามเจ้าว่ายากที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงพุทธเจ้ามันยกตัวอย่างดิพุทธเจ้าบอกว่ายกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีแผ่นดินเลยมีแต่น้ําทั้งหมดใต้ผื้นน้ำนั่น่ะ ใต้ทะเลลึกใต้หมาสมุทรนั่นแหละมีเต่าเต า, ตาบ่อสองข้างอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งร้อยปีโผล่มาหายใจเหนือผิวน้ำหนึ่งครั้งคนในโลกนี้ยสงสารเต่านี้อยากให้เต่าตัวเนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้โผล่มาเนี่ยได้ขอได้สวมแอกเนี่ยแอกที่คนในโลกเนี้ยโยนลงไปในทะเลเพื่อให้เต่าเนี่ยมันโผล่ออกมาแล้วก็แอกเหมือนไม้ง่ามเงี้ยเข้าไปสวมคอได้พอดีแอกเนี่ยแล้วเข้าใจว่าแอกนี่คงเหมือนใน ไอ้ที่เขาเทียมัวเทียมเกวียนเพราะว่าอินเดียสมัยก่อนก็ใช้เกวียนเน่ยต่อพระเจ้าก็ใช้เกวียนก็มีแอกเน่ยเวลาพอเอาเกวียนมาเทียมพวกคนจะมีไม้เสียบไปไม่ให้คอไม่ขห้คองูมันมันมันรุดออกไปได้คนทั้งหลายก็พยายามโยนแอกเนี่ยที่มันสวมคอเต่าได้พอดีเนี่ยแล้วคอเต่ามันเล็กนิดเดียวนี่ยไม้แอกมันก็เล็กๆโยนไปในทะเลในมหาสมุทรเพื่อให้หนึ่งร้อยปีเต่าเต่าบอดสองข้างเนี่ยมันโผล่มาหายใจปุ๊บมาได้สวมแอกพอดีแต่ท่านว่าลมบก ก็พัดไปหมดลมทะเลก็พัดไปหมดลมเหนือลมใต้ก็พัดไปหมดขึ้นในท้องทะเลก็ใายท้องทะเลก็ปั่นป่วนพัดเอาไปหมดนี่ท่านว่าพัดเอาไปหมดเลยนะโอกาสที่เต่าตาบอดสองข้างนั่นหนึ่งร้อยปีโผล่มาแล้วจะได้สวมแอบพอดีแล้วก็จริงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจากคนทั้งหลายที่ตายจากคนหรือมนุษย์ทั้งหลายที่ตายจากมนุษย์เนี่ยแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนี่ง ยากขนาดนั้นเลยจะมีโอกาสไหมล่ะหนึ่งร้อยปีแล้วเต่าตาบอดจะได้โผล่มาแล้วจะมาได้สวมขอสวมแอกที่โยนลงไปในน้ำทะเลนั่นะจึงบอกว่าท่านจึงพุโธองค์จึงตัดว่าพวกเราประมาทหนึ่งร้อยปีพันปีล้านปีเราตายไปแล้วโอกาสจะกลับมาเป็นคนอีกอยากที่สุดในโลก แล้วก็พุทองค์ตัดว่าไปไหนอ่ะไม่กลับไปคนไปอบายดิไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกทุกประเภทในโลกนี้เนี่ยไปเป็นนอนเป็นแมลงเป็นเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์สีเท้าสองเท้ามันก็ไปเป็นอยู่อย่เนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นส่วนใหญ่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกไปอบายกันกับหอะไร แล้วจะมีโอกาสแม่ที่ท่านจะกลับมาเป็นคนอีกแล้วก็จะมาพบเป็นคนอย่างเดียวก็ยากที่สุดในโลกแล้วแถมเกิดมาเป็นคนต้องพบพุทธศาสนาอีกมันจะยิ่งยากดักเข้าไปอีกคนในโลกนี้มีเท่าไหร่แล้วคนที่เกิดมาล้พุทธศาสนามีเท่าไหร่แล้วท่านลองดูซิว่าคนที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วมีคนที่มีครูมีครูบาอาจารย์สอนในพ้ทุกได้มีเท่าไหร่ โอกาสจะกลับมาเป็นคนยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยมาพบพุทธศาสนาก็ยากกึ้นไปอีกคนในโลกนี้มีเท่าไหร่แนละ้วแล้วคนที่เกิดเป็นพุทธศาสนาเท่าไหร่แล้วคนที่มาเป็นพุทธศาสนาในโลกเนี้ยมีครูบาอาจารย์ที่สอนในบนทุกะมีอีกเท่าไหร่ยากมากเลยที่ท่านจะกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งที่ครบถ้วนแบบเนี้ยเราจึงเข้าใจว่าที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ พุทธศาสนามีผู้สอนธรรมในท่านพ้นทุกเนี่ยแทบจะครั้งเดียวในโลกโอกาสที่จะกลับมาอย่างเนี้ยแทบจะลิบหลีมากเลยพระเจ้าจึงตรัสอยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่ จงเร่งทําความเปลี่ยนให้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้นี่เป็นพระวาจาในในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์พอพูดจบก็ดับขันปรินิพพานพระพุทธองค์เตือนอยู่ตลอดเวลาเตือนเตือนเตือนเตือนเฝ้าเตือนเตือนจนกระทั่งจะดับขันแล้วยังถามว่ามีอะไรที่ใครจะถามพระองค์พ ร, พระองค์จะตอบแต่ไม่มีใครถามเลยเพราพระองค์จะสิ้นลมแล้ว จนครั้งสุดท้ายอย่างเตือนว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาทำทั้งหลายอย่ามัวประมาทมันจะไม่ทนันจงเร่งตาความเปลี่ยนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เกิดเดี๋ยวมันจะไม่ทันช้าไปมันจะตายไปก่อนโอกาสจะกลับมาไม่มีจงอย่าประมาทจงอย่ามีความเป็นอยู่ด้วความประมาท รู้แล้วเห็นแล้วฟังแล้วทุกช่วนทางก็มันชัดเจนแล้วถ้ากิเดินทางเร่งเดินทางสร้างเร่งปฏิบัติมันมันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงหลวงปู่ทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเอาไหมล่ะเอาไหมอ่ะกลาท้าเลยเอาไหมล่ ะ, เ, ละเนี่ยคำสอนก็มีอยู่เนี่ยคนจริงทำจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริง ปัญหาเลยว่าเอาแม่เนี่ยจะสอนให้เป็นคนจริงก็เปล่าล่ะเออถ้าเป็นคนจริงนะยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงนั่นอย่าให้มันพิฆาตไปนะต้องตั้งใจแผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีทางยอมแพ้จะต้องบรรลุพนิพพานในปัจจุบันนี้ให้ได้ ต้องมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวหากแผ่นดินไม่กบหน้าซะแล้วเนี่ยไม่มีวันยอมแพ้ต้องบรรลุพณนธุานในปัจจุบันนี้ให้ได้เกิดเป็นคนก็เกิดแล้วพบพุทธศาสนาก็พบแล้วมีผู้สอนธรรมก็มีแล้วจะเอาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไงเลยขอให้ทุกคนตั้งใจ ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฐานุภาเวนะธรรมานุภาวนะสังฆานุภาเวนะพระพุทธพระธรรมประสงค์เอาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาเป็นกำลังใจเอาเป็นที่ระลึกถึงอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยพระพุทธองค์ก็ทำไม่ได้ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากถึงสีอสงไขยแสนมหากรัมพระอาลานตนั้งหลาย ก็ปฏิบัติถอยหลังกันไปแล้วนับแต่ได้ถูกทานายมาก็เป็นแสนแสนกับเพราะฉะนั้ น, นให้นึกเอาพระพุทธพระธรมพระสงค์เป็นเป็นตัวอย่างเป็นสาระเป็นที่พึ่งยำทอแท้ว่าพระองค์ก็ลาบากมาพระอราันทุกองค์ก็ลาบากมาครูบาอาจารย์ก็ลาบากมา อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้หากแผ่นดินไม่กบหน้าจะไม่มีวันท้อถอยจะต้องบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ขอความสำเร็จจงเกิดแกดท่ท่านท่าน